บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวันก่อนได้กล่าวถึงคำกราบทูลของท่านอุปสีละวะมฒนนพโดยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโดยลำพังตัวของท่านเองนั้นให้สามารถที่จะค้าโอคะหรือพ่วงน้ำใหญ่ได้ ขอให้พระภูมิยาภาคยาวไปทรงแสดงหลักปฏิบัติเพื่ช่วยให้ท่านซึ่งปฏิบัติตามแล้วสามารถข้ามโอคาได้<อ>เนื่องจากท่านผู้นี้ได้บาเพ็ญเพียรทางจิตมาถึงขั้นสูงคือได้บรรลุรูปฌานสี่และอรูปฌาน2องยังอีกสอขั้นเท่านั้นเองก็จะจบรูปฌานแต่การปฏิบัติของท่านก็มาติดอยู่ เรงเกลีดถอยหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็ไม่ได้คำถามจึงได้บ่งถึงผลสูงสุดเอาไว้คือต้องการจะข้ามโอ๊คพวงน้าคือกิเลสไปให้ได้แต่กำาลังมีปัญหาคือท่านเองก็ข้ามไม่ได้พวงน้ำคือกิเลสนั้นเป็นการอาศัยรูปธรํมคือพวงน้ำที่มีลักษณะพัดผันรุนแรง สแสดงให้เห็นถึงว่าพวกน้ําสิ่งซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นอะไรตกลงไปก็จะถูกพัดผ่านไปจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองฉันได้พวกน้ําคือกิเลสซึ่งทร ง, งแบ่งไว้เป็นสี่กลุ่มให ญ, ใหญ่ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันฉชนนั้นต้นเรียงเป็นลำดับว่าพวกน้ําคือกามพวกน้ําคือภพ ห้อน้ำคือทิฏฐิในหวองน้ำคือวิจารประเด็นที่ควรกําหนดศึกษาบางประเด็นก็คือเรื่องของทิฏฐิที่เราแปลว่าความเห็นที่จริงขั้นของความเห็นนั้นเกิดขึ้นมาจากความรับการรับรู้ของบุคคลทั้งหลายประการหนึ่งและเกิดขึ้นมาจากพื้นอัธยาศัยของบุคคลอีกประการหนึ่ง ในตามพระพุทธศาสนาท่านยอมรับความรู้ในแต่และชั้นแต่ความรู้ที่เราเกีย่ยข้องกันนั้นให้สังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่ว่าใครเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขนาดไหนก็ชื่อว่าได้รับประโยชน์จากความรู้มากขนาดนั้นความรู้ระดับแรกเป็นความรู้ระดับที่เราเรียกว่าสัญญาคือการจาทรงเอา เป็นการจำโดยรูปแบบอาศัยจำเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนออนแข็งคือสิ่งเหล่านั้นมีสภาพเป็นยังไงก็จำไว้อย่างนั้นถือว่าเป็นความรู้ระดับหนึ่งในชั้นต่อมาเป็นความรู้ที่ท่านเรียกวิญญาณคือเกิดขึ้นมาจากการได้พบเห็นด้วยตาได้ยินด้วยได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยดินแถูกต้องด้วยกาย ก็เกิดความรู้ในเรื่องเหล่านั้นวิยนญาณยังแปลว่าความรู้แจ้งซึ่งหมายความว่าอีกขั้นหนึ่งเมื่อมีการเก็บการสะสมไว้เพิ่มขึ้นในจิตใจปริมาณของความรู้ก็จะสูงขึ้นข้อนี้ท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนกับความรู้กหาปณะคือเหรียญเงินเหรียญอันเดียวกันของเด็กกับของผู้ใหญ่ การพูดถึงเหรียญชนิดเดียวกันขนาดเดียวกันแล้วก็ราคาเดียวกันนั่นเองแต่ความรู้ในเรื่องเหรียญของเด็กกับของผู้ใหญ่แตกต่างกันผู้ใหญ่เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งออกไปมากกว่าเด็กสามารถจำแนกถึงรุ่นถึงรอ้อบไม่รอมเป็นต้นได้แต่าเด็กจะเรียนรู้ขนาดนั้นยังไม่ได้ต่อเมื่อผ่านการเวลาไปก่อนความรู้สุดนี้ก็เพิ่มขึ้น แล้พร้อมที่จะแยกแจกออกไปได้ในความรู้อีกชั้นหนึ่งซึ่งว่าที่จริงก็เกิดขึ้นจากการเก็บก า, การรับรู้การเก็บการสะสมไว้ภายในใจของบุคคลก็ให้เกิดเป็นความเห็นในด้านต่างๆในการที่จะเกิดความเห็นชอบหรือเห็นผิดนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายนอกและภายในดังกล่าวแล้ว คือพื้นอัทยาศัยของตนเองกับการต้องเกี่ยวเกาะกับเรื่องราวกับอารมณ์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ตนเข้าไปคลุกคลีอยู่การปฏิบัติธรรมาในทางพระพุทธศาสตศาสนาพระพุทธเจ้าเน้นในการขัดเกล่าวจิตใจของบุคคลให้จะเป็นกามเป็นพบเป็นทิฐิหรือเป็นอวิชาก็ตามจางลงไปดังนั้นเมื่อมองย้อนไปใน ชั้นอื่นๆในกรณีอื่นเราจะพบว่าวระพุจ้าทรงแสดงปฏิรูปประเทศคือสถานที่อยู่ซึ่งมีลักษณะเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิแทนที่จะเกื้อกูลให้เกิดมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นผิดอันจะนำตนขารกเข้าพงไปนอกจากจะเน้นที่สถานที่อยู่อาศัยแล้ว อย่างเน้นที่บุคคลซึ่งตนเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลมากเกิดทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแม้ว่าบางท่านจะมีอุปนิสัยบา ร, รมีสูงส่งอยู่ในฐานะที่สามารถจะสรุปทำตามพระพุทธเจ้าได้แต่เกิดไปอยู่ในท้องถิ่นที่ไม่เหมาะควรไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลคณะบุคคลหรือแม้แต่บุคคล ที่เป็นผ่านก็อาจจะสร้างความคิดเห็นของคนให้วิปดิษ์ผิดแปลกไปจากธรรมนองครองธรรมก็ได้คนนี้พึงดูตัวอย่างพระองค์ุริมนันซึ่งไปอยู่ในสถานที่ที่อันที่จริงก็สมควรพอใช้ได้แต่ว่าบุคคล น, นั้นเป็นผ่านยังถูกแนะนำในเรื่องที่ไม่ควรแนะนำ ท่านจึงไปประกอบกระทําในเรื่องที่ไม่ควรประกอบกระทําจึงกลายเป็นมหาโจรมีชื่อเสียงปฏิที่หวาดกลัวของบุคคลทั้งหลายแต่พอท่านได้คบหาสมาคมกับพระพุทธเจ้าได้พบเห็น พ, พระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนแปลงมหาโจรซึ่งอิจฉุ่มด้วยรุชิดนั้นให้เป็นพระอราหันต์ที่มากด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว นี่จะเห็นได้ว่าโดยหลักของการปฏิบัติแล้วก็คือมุ่งที่จะบรรเทากาบรเทาภพบรรเทาทิตฐิบรรเทาวิชานั่นเองหลังจากนั้นก็แสดงในเรื่องลักษณะาทางอารมณ์ลักษณะของอากาศลักษณะของอาหารเป็นต้นให้<ม> ล, ล<ะ>ักษณะเครือกูลแก่จิตใจของบุคคลเพื่อจะได้รับผลสูงขึ้นไป ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะดังน้การเกิดสมาธิคือปัญญาเน้นชอบจึงเกิดขึ้นโดยสองสายเหมือนกันสายหนึ่งก็คือพื้นอัตยาสายของตนที่มีความเป็นสมาธิมาแต่ดั้งเดิมและการเกี่ยวเกาะได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นและพก็เห็นจากส่วนต่างๆแล้วก็นำไปพินิจพิจารณาก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ในกรณีที่เป็นทิฏโถคาอกฆาคือทิฐินั้นก็เน้นไปในส่วนของมิจฉาทิฐิโดยตรงแต่ถ้ามองจากจุดสูงสุดผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่าแม้สัมมาทิฐิที่ยังไม่เต็มที่คือยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ทําให้บุคคลแล่นไปในภพถูกพาดผันไปในภพได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นการพาดผันไปในทางที่ สร้างพบสร้างชาติให้เป็นนิ e ิมากยิ่งขึ้นแต่นั้นเองอิทธิบางอย่างเป็นเรื่องของความอยากความกดดันทางจิตใจที่แสดงออกมาถึงความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นหรือบางครั้งแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองที่เราพูดกันว่าคนรันคนดื้อดึงคนหัวแข็ง เป็นต้นเพแสดงให้เห็นพื้นจริตของบุคคล น, นั้นว่าเป็นคนกระดังด้วยความคิดเห็นมีความเคารพมีความเชื่อในความคิดเห็นของตนเองจน ก, กลายเป็นอาการดือ้อต่อ บ, บุคคลอื่นแล้วเป็นลักษณะที่แข็งในด้านจิตใจตลักษณะของคนที่มีทิฏฐิจึงกลายเป็นคนรันหลกใจฝังใจอะไรลงไปแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้น หรือแม้บางครั้งบางคราวได้ฟังเหตุผลจากบุคคลอื่นตัวเองก็ห็นตามคล้อยตามแต่ก็เดินมาทางนี้นานที่แล้วก็ไม่ยอมถอยแล้วไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นความปักใจฝังใจแล้วก็กลายเป็นอย่างความยึดมั่นือที่เรียกว่าทิฏฐุ ป, ปาทานซึ่งก็ที่จริงก็เป็นอาการของทิฏฐิ ถ้าตามความคิดเห็นที่เป็นความยึดถือหรือความเห็นผิดในระดับทั่วๆไปก็เรียกไม่เรียกว่าไม่หยาบไม่รุนแรงอะไรมากนะกแต่ก็สร้างความทุกข์ความทรมานให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ในกรณีของการยึดถืออี่ชนคนที่รักก็ดีหรือบุคคที่เราไม่ชอบก็ดี ให้เป็นไปอย่างที่ท ต, น, น, น, น, น, ต, ตนต้องการจะให้เป็นไปและในที่สุดเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการจะให้เป็นไปก็เกิดความโศกความเสียใจกลายเป็นการเพิ่มความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของตนนี่ก็เป็นอาการของทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนและในชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย อีกอยั้นหนึ่งเป็นอาการที่กระด้างมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้แต่ว่าเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์อย่างที่ท่านเล่าเป็นเรื่องของปลากระต่าที่สนทนากันบางเรื่องนั้นปลาเข้าใจแต่บางเรื่องปลาไม่เข้าใจเพราะเต่ากกไปได้ทางไหนน้ำแล้วก็บุญบกปลานั้นไปได้ในน้ำอย่างเดียว จึงตัดสินปัญหาต่างๆกันด้วยประสบการณ์ของตนเองไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรนอกประสบการณ์คือ น, นอกจากที่ตนได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ได้ทราบได้รู้มาความเห็นเหล่านี้แต่ที่จริงถ้าขีดวงไว้เฉพาะตรงนั้นมันก็ถูกแต่ไม่ใช่เป็นความจริงอย่างแท้จริงในชั้นนี้ตามพระพุทธศ า, ส, าสนาเรียกว่า คือเป็นความเห็นผิดที่ห้ามนิพพานแต่ไม่ห้ามสวรรค์คือคนผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถที่จะบังเกิดในสุคติได้ตบแต่งพวพชาติของตอนให้ประณีตขึ้นมาได้เพราะว่ายังมีความเชื่อในกฎของกรรมอยู่ในส่วนที่เลื่ขึ้นไปกว่านั้นก็อาจจะเกิดจากความรู้เช่นเดียวกันแต่เป็นความรู้ที่ขีดไว้ในจุดนั้นๆคือสูงกว่าประเภทแรก แม้ความเห็นที่เชื่อความมีอยู่ของเทพเจ้ า, าสูงสุดซึ่งกลายเป็นลทัทธิาศาสนาในโลกล้วถ้ามองจากจุดสูงสุดในทางรพุทธศาสนาที่ทรงสแสดงไว้ในพระมารสุตรนเย้าทิติคือความเห็น62ประการความเห็นของคนเป็นอันมากที่เกิดขึ้นด้วยญาณความรู้ด้วยสมาธิที่ตนพูดปฏิบัต แต่ก็ไปติดจุดนําเหมืองกับปลาติดอยู่ในบอ่อแกตัดสินเฉพาะในบอ่อเท่านั้นเองเพอย่าลืมว่าในเชิงของกา ร, รปฏิบัติแล้วตราบใดที่อวิชชายังไม่สิน้นสราบนั้นโอกาสที่จะเกิดความสับสนทางความคิดก็มีได้ส่วนจะมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยานในกรณีของการที่คนเชื่อว่า ชีวิตทั้งหลายนั้นมาจากแหล่งเดียวกันสงการ จ, จะเรียกเป็นพรหมบ้างเป็นพระมารตะมันบ้างเป็นพระเจ้าบ้างอะไรแต่จะเรียกในพระคัมภีในรพในระสูตรนั้นท่า น, นแสดงเอาไว้ว่าที่จริงก็ถูกต้องในคิดหนึ่งคือเกิดจากพรหมท่านคือคนคนหนึ่งทําความดีเหนือคนอื่นไปก็ได้บังเกิดในพรหมโลกพรหมก็เหงาเหมือนกัน ก็เกความคิดว่ามันน่าจะมีคนอื่นมาเกิดด้วยอะไรสนทนาวิสวาสะกันในช่วงที่ทางกําลังคิดอยู่นั่นเองคนมีบุญเหล่าอื่นก็มาอุบัติในพรหมโลกท่านก็เกิดจากเกิดเข้าใจว่านั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการคิดกรงทันแล้วก็โมเมเลยไปว่าท่านเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นแล้วก็บอกกล่าวบุคคเหล่านั้นให้ทราบว่าท่านเป็นผู้สร้างขึ้นมา จุดันเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่ต้นตัวหมาพรหมเองท่านก็เข้าใจท่านผิดแล้วก็ไปเผยแพร่ความเข้าใจผิดให้แก่อีกคนหนึ่งอีกพวกอีกคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้อยู่การอยู่มาเป็นเวลานา น, านในสุดก็หมดบุญจุติจากพรห ม, มโลกแต่อาศัยที่จิตใจน้อมไปในทางเนกขมมะคือหน่ายในการมในสุดท่านก็บวชอีกบวชบำเป็นเพียนบรุอภินยาบรุรูปภิจารณ์ เราลิกชาติได้แต่เราเลิกได้เพียงชาติเดียวในสุดก็จนก็เหมือนกับปลาบองจากสระหรือกบบองจากสระในในสุดก็ท่านก็สรุปจากความคิดดั้งเดิมของท่านที่ฝังอยู่ภายในใจว่าท่านเองนั้นมาจากพระพรุมพระพรุมธเป็นผู้สร้างขึน แล้วเมื่อท่านบำเป็นเปลี่ยนเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนรูปประชานขึ้นไปอย่างนี้ก็แนวเดิมอีกแต่ก็ต้องกลับเข้าไปหาพรหมในที่สุดก็เผยแพร่ความคิดเหล่านี้ออกไปคนก็เกิดเข้าใจว่าชีวิตนั้นมาจากสิ่งสูงสุดคือพรหมในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจึงต้องเสด็จไปทรมานไปคือแทนที่จะไปแก้ที่ประชาชนก็มากเลืเกิดเกิดไปแก้ที่ตัวพรหมตัวเอง แนะนําไม่ให้ท่านหลงเงาตัวท่านเาแท้แท่จริงท่านนั้นเป็นสังขารไม่ใช่เป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งท่านเป็นผลชนิดหนึ่งของบุญแล้วของกรรมคือของวิชากับของกรรมแต่ว่ายังมีอวิชาตั้งจางจางลงไปมากแล้วเป็นต้นนาให้เกิดเหมือนกันนี่เป็นการแสดงว่าความเห็นบางอย่างมันก็ถูก กราถูกชั้นหนึ่งปลาก็าอยู่ในส่วนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรคือ ต, ต้องการเจริญเติบโตเฉพาะอยู่เป็นปลาในบอ่ออยู่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นมองเห็นว่ามันเป็นกระแสน้ำที่พัดผ่านไปมีสังสาระคือการท่องเที่ยวการหมุนวน เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเหมันบนกันอยู่อย่างนี้ขี่พบกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้พฤติกรรมเหล่านั้นก็ซ้ำซ้ำซ้ำซอดทำแล้วทําอีกกินแล้วกินอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกนอนแล้วนอนอีกเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกนี่ก็หมุนวนกันอยู่ก็มองแล้วเป็นเรื่องหน้าเบื่อหน่ายเพราะเป็นความซ้ําๆท่านจึงกระยับตัวขึ้นไปอีกในจุดหนึ่งเพื่อถ่ายถอนตนให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้น แต่ความเห็นที่เป็นทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิที่มันลึกหนักเข้าไปอีกก็คือไปมองวิจัยถึงกรรมคือการกระทําที่บุคคลมีความเจตนามีความจงใจกะทำลงไปทางกายบ้างทางมาจาบ้างหรือก็คิดด้วยใจบ้างความเห็นในชั้นนี้ก็จะมีลักษณะสับสนบางครั้ง ก็ไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรเท่าไหร่บางครั้งก็อาจจะรุนแรงประเภทที่เป็นความเห็นรุนแรงก็ทรงแสดงไว้3ประการคือเป็นปฏิเสธถึงการกระทำทุกอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นการกระทำไม่ถือว่าเป็นกรรมเมื่อไม่ถือว่าเป็นกรรมก็ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีการๆเป็นคาสอนที่น่ากลัวมาก เราตัดต้นเหตุของความเจริญไม่ยอมประกอบเหตุเพื่อความเจริญเนื่องจากไม่ยอมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่การกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทาที่มีอยู่ในยันต่อไปปฏิเสธผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวนและในชีวิตผู้คนอื่นก็ตามถือว่าไม่ได้มาจากเหตุอะไรไมันเป็นเรื่องบังเอิญก็มันเจอเดี๋ยวพอเหมาะพอเจาะเข้าพอดีเข้ามันก็ก่อให้เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา ความเ ห, เหล่านี้ทําให้บุคคลไม่กระตือรือร้นที่จะประกอบเหตุเพื่อความสุขความเจริญของตนเพราะถือว่าผลนั้นไม่ได้มาจากเหตุให้เราสังเกตว่าความเปลี่ยนพปายามที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นก็ต้องอาศัยปัญญาที่บังเกิดขึ้นในสิ่งนั้นเพราะถ้าตนประกอบสิ่งนี้ต่อไปจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วผลเบื้องปลายที่ตนต้องการคือ ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขก็จะบงังเกิดขึ้นคนเราจึงลงมือใช้ความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติไปในเรื่องเหล่นั้นแต่ถ้าบุคคลมองเห็นว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตอะไรเลยเป็นเรื่องเลื่อลอยเขาก็จะต้องใช้วิธีเหล่าอื่นกาจจะบวงสรวงอาจจะอ้อนวอนขอร้องไปประจบประใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจบประแจงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทาให้สูญเสียเวลาของชีวิตไป ควมเนเหล่านี้จึงกลายเป็นความเห็นที่ออกจะน่ากลัวสมองใครก็ตามที่ไปปักใจไว้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้อีประการหนึ่งซึ่งออกจะแรงกว่าอย่างอื่นซะอีกคือมองเห็นมาทั้งเหตุทั้งผลทั้งบาปทั้งบุญทั้งพ่อทั้งแม่โลกนี้โลกอื่นอนอกสวรรค์เป็นต้นไม่มีหมดเลยปฏิเสธ ท, ทุกสิ่งในโลกนี้แล้วก็ถือว่าคนเราเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวชีวิตเราก็จบลงที่เฉิงตะกอด เราก็แล้วกันไปเลยไม่ต้องพูดว่าไปเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรเพราะไม่มีการเกิดคำพูดเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ตัดทางแห่งความเจริญก้าวหน้าของบุคคลทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันเหมือนกับผ้ากํมพลที่ทำโดยผมคนหรือใช้ไม่ได้สักฤดูเราดูฝนก็อุ้มน้า รูร้อนก็ยิ่งร้อนจัดรูหนาวก็ยิ่งหนาวจัดโดยสภาวะข้าบันแล้วก็คือกลิ่นเหม็นใช้ไม่ได้ทักอย่างความเห็นทั้งสามประเภทนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมีอันตรายในการไปยึดถือความเห็นอีกชั้นหนึ่งเป็นเรื่องของความคิดเห็นในด้านของที่จริงก็ถับมาเป็นการปักใจฝังใจลงไป สเรียกว่าสัจจังอภินิเวศะอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นความติดความหลงความต่อสู้ความทุ่มเทียงทะเลาะวิวาทกันแล้วกราวข่มขีกันกราวทําลายกันคนนี้เพิงดูตัวอย่างไว้ในการปฏิบัติกรรมฐานเองถ้ามีการยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งไว้อย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้อง บทภาวนาสัมมา ร, รหังเท่านั้นพุโทโธเท่านั้นยุบหนอะพองหนอเท่านั้นหรืออะไรก็ตามคือไปยึดถือเสียว่าเท่านั้นและปฏิเสธอย่างอื่นหมดมันก็จะทำให้จิตใจนั้นคับแคบตัวเมื่อจิตใจคับแคบไปสติปัญญามันก็แคบตามไปเหตุผลต่างๆก็แคบตามไปตามสภาพจิตของบุคคลตรงนั้นแม้ความเห็นในชั้นนี้จึงกลายเป็นอันตรายแล้วก็ให้เกิดความทุกข ขึ้นในชีวิตของบุคคลพวกปะกินนักทุกข์ทั้งหลายที่สุดสาธยายทรงจํากับนั้นเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นมาจากความเห็นในอย่างนี้เองแล้วก็อให้เกิดความยึดถือขในที่สุดความทุกข์ทั้งวงก็เกิดขึ้นโดยความยึดมั่นถือมั่นเป็นอาการของทิฏฐปาทานก็ยึดมั่นด้วยความเห็นพ่าจงเป็นอย่างนั้นแได้เป็นอย่างนี้ หรือบางใจยึดถืออย่างนั้นว่าอะไรที่เราชอบเราขอให้เป็นอย่างนั้นอะไรที่เราไม่ชอบเราบอกขออย่าให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าชีวิตของบุคคล น, นั้นเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยและเป็นไปตามผลของกรรมผลบางอย่างแม้เราจะไม่ต้องการก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้โดยอาศัยเหตุที่ <im itation> ทําในปัจจุบันบ้างเหตุที่ทําในอดีตบ้างซึ่งบุคคลจะมุ่งหวังให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเมื่อไปมุ่งหวังเอาไว้ ไยึดถือเอาไว้ไปจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นไปตามที่ตนหวังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจิตใจก็ถูกพัดผันไปด้วยแรงของเกลเยสายนี้ความทุกข์ก็จะติดตามแฝงเร้นถือความทุกข์นั่งแฝงเร้นอยู่แล้วก็พร้อมที่จะเปิยโฉมออกมาเมื่อเหตุที่บุคคลประกอบกระทําลงไปด้วยแรงของวิชชาติติคือความเห็นผิดนั้นจเจริญเพิ่มพูดมากยิง่งขึ้น ในชั e ้นหเราก็ถือว่าเป็นชั้นที่ออกจากปัญญีตามปกติแล้วก็พูดกันในระดับมรรคผลเพราะอะไรบางคนเราแยกไม่ค่อยออกคือสิ่งที่เราเรียกว่าศักกายยติที่พระเจ้าบุคคลระดับโสดาบันทั้งละได้คือในส่วนที่ลึกซึ้งลงไปถ้าบุคคลลองนั่งดูวิเคราะห์ดูจิตของตนก็จะพบว่าความเห็นที่เกี่ยวกับตนกับตัวกับชีวิตของบุคคลนั้น มีความเห็นในลักษณะที่เกาะเกี่ยวแล้วก็ยึดติดตามความเห็นของตนแล้วกระจายตัวเองเออกไปถึง20สิบอย่างด้วยกันโดยอาศัยคันห้าเป็นหลักใหญ่คานาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นหลักแล้วก็มองเห็นว่าคัน้านั้นคือตัวตน หรือว่าไอตัวตนนั้นมีอยู่ในขันห้าบางทีก็ถือว่าขันห้ามีในตนบางทีก็มองกลับไปทีว่าตนมีอยู่ในขันห้านี่จะเห็นได้ว่าเป็นความเห็นที่ละมิดละใหม่แต่มันเกิดขึ้นในจิตของบุคคลจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ตรวจสอบดูจิตค่อยๆเป็นค่อยๆไปจงเกิดความเข้าใจแต่ถ้ายังเกิดความเห็นอย่างนั้นอยู่ มันก็จะก่อให้เกิดอาการยึดติดในสิ่งเหล่านั้นทึ่งล้วนแล้วมาจากเกิดขึ้นมาจากความคิดเห็นคือไปยึดติดในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเราด้วยอานาจของตันหาแล้วก็่อยคว้าสัสายไปกำหนดหมายว่าเป็นของเราของเรากันเรื่อยไปบางทีก็ยึดติดด้วยอานาจของมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนัน ยึดติดดวหน้าของทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นตนเซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่พัดผันจิตใจของบุคคลในแล่นไปในอารมณ์ต่างๆแต่ตามปกติแล้วก็มักจะทําผิดมากกว่าทําถูกปัญหาที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเรื่องอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดตามมาแต่เกิดได้ก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นให้ลองสังเกตดูนะว่า แต่ความรันของตนที่เราเรียกว่าถือรันบางคร nope sí. ั้งเกิดจากอย่างอื่นเกิดจากความมานะคือความถือตัวของตนบางครั้งอาจจะเกิดจากทรัพย์สมบัติแต่ตัวเองมีทรัพย์สมบัติมากความเห็นอย่างนี้ทุกคนต้องคอยตามล้วตัวเองมีความรู้มากความเห็นอย่างนี้ทุกคนต้องคลอยตามตัวเองมีอำนาจมาก่อใคนคอยตามในความเห็นเหล่านั้น หรือว่าฐานะทางสังคมสูงดีเด่นหรือว่าชาติสกุลของตนสูงหรืออาจจะบางทีก็ไปเกาะคนอื่นเขาไปโหนคนอื่นเขาแล้วก็ขอให้เกิดเป็นความกระด้างขึ้นภายในจิตใจแต่นั้นเวลาประพฤทิปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงไม่เด็นเน้นในจุดใดจุดหนึ่งแต่ก็มุ่งที่จะทำลายไปทั้งหมดเลก็เหมือนกกวาดขยะคือกวาดกันให้เกลี้ยงไปทั้งห้องเลย เพื่อให้บุคคลได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการระพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างแท้ จ, จริงอย่างน้อยที่สุดก็ในขั้นของการบันเทาทิฏฐิเหล่านั้นให้เจือจางหมบาบางลงไปโดยดํางดับต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความส ง, งบส่ขต่อไป